ท่านผูฟังที่ครบค่ะท่านกําลังฟังรายการสันนิษฐนนานะนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอสถานีวิทยุที่ท่านจะได้ฟังเรื่องราวที่ทันสมัยทั้งหมดในส่วนรายการของเรานะคะทุกเวลานาทีมีค่ามากเพราะเราได้นําเสนอถ้อยคําของพระศาสดาแม้กระทั่งในการที่มาตอบคำถามของท่านทั้งหลายนะคะโดยท่านเพรียวพี่ปุโ น, โนในช่วงนี้เปิดทําที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะค่ะนวัศ ก, การคะท่านคะเดลิปอน ค่ะวันนี้ก็เป็นวันสําคัญมากอืของประเทศไทยเป็นวันพ่อแห่งชาติเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเป็นวันชาติด้วยนะสามวันเลยคือมีการกระทําความดีหรือว่าทําในสิ่งที่จะเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้พระเจ้าอยู่หัวในกันหลากหลายรูปแบบมากนะคะถ้าจะว่ากันไปทางด้านของคนสมัยใหม่หน่อยเขาก็อาจจะไป ทำสาธารณประโยชน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ยิ่งช่วงนี้เนี่ยไปฟื้นฟูน้าท่วมนี่ช่วยกันมากเลยใช่ไห ม, มครับ <Day. S 1> <laughs> ใช่ค่ะคือทุกที่จริงๆนะคะอย่างกับเราเนี่ยสมมุติเรียนหนังสือว่ากี่หลักสูตรกี่หลักสูตรทุกหลักสูตรพร้อมใจกันทําในสิ่งนี้หมดเลยค่ะก็เป็นที่น่ายินดีก็คือว่าการทําตรงนี้ต้องบอกนิด น, นึงว่าถ้าเราไปมันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมใช่ไหมค่ ะ, ะมันได้บุญแน่นอน ไดบุญเพราะว่าจิต ท, ที่เราเป็นกุศลจิต ท, ที่เราเป็นกุศลเนี่ยเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นจิต ท, ที่มีความรัำความเมตตาเนี่ยบุญกุศลเกิดขึ้นที่เราค่ะทีนี้มากหรือน้อยมันก็อยู่ที่ว่าผู้ที่มารับส่วนนั้นเป็นใครคถ้าถ้าบุคคลที่เราไปทําให้เนี่ยเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสูงก็จะเป็นการได้บุญมากขึ้นมากขึ้ น, านตามลำําดับ อ๋อค่ะสมมุติไปทําความสะอาดวัดที่พระสงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ถูกน้าท่วมอย่างนี้ก็จะได้บุญมากขึ้นโดยลําดับหรือไงคะถูกต้องถูกต้องอืมค่ะก็เหมือนการให้ทานที่พระเจ้าเคยทําลําดับเอาไว้ว่าถ้าเราให้ทานกับสัตว์นิรชาญก็ได้บุญนะถ้าเราให้ทานกับคนทุศีลก็ได้บุญมากขึ้นเราให้ทานกับคนมีศีนก็ได้บุญมากขึ้นอีกเราให้ทานกับพระธรรมดาไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปจนทั้งถึงโสดาบันสกทาการมีไล่ขึ้นไปนั่นแหละ ท่านครั้งนั้นสมมุติในวันนี้เนี่ยอย่างในช่วงต้นในท่านมาร์กก็ได้พูดในส่วนที่หลักธรรมเกี่ยวกับการจะปฏิบัติต่อผู้ที่เป็นพ่อไประดับหนึ่งนะคะพอมาถึงตอนนี้ท่านอยากจะกราบเรียนถามว่าในกรณีที่ปวงชนชาวไทยหรือแม้แต่คนต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วรู้จักว่าพระเจ้าจอยู่หัวของเราเนี่ยได้ ทรงเป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่องเป็นอย่างมากอแล้วก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่ดีเพื่อถวายแด่พระองค์เนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นการกระทํำที่ได้บุญมากด้วยถูกไหมคะที่ทําความดีนี่เราได้แน่นอนใช่ไมแต่นี้ว่าเราทําความดีเนี่ยปบารอบอะไรเป็นเหตุคในอย่างสมมุติว่าอย่างแค่เรื่องให้ทานอย่างเงี้ยถ้าเราทําความดีด้วยการคิดว่าเออเราต้องการรวยขึ้นเราจึงทําความดีโดยการให้ทานอย่างเงี้ยนะ บุญที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าจะมีน้อยกว่าการที่เราให้ทานเพราะว่าเราปรารภพ่อแม่เราเคยให้มาการให้ทานเป็นสิ่งดีเราจึงทำนะสองอย่างเนี้ยสมมติอาจมาควักเงินมาออสักร้อยบาททําบุญอย่างเงี้ยนะหรือทําบุญด้วยการไปลงแรงในการขัดทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําเพราะว่าอาศัยว่าเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการผลของบุญนี้ทําให้เรารวยขึ้นคืออาศัยว่าเรามีความอยากจึงทำํำปรากฏว่าบุญที่เกิดขึ้นตรงนี้จะน้อยกว่า เราทําอย่างไม่มีความอยากเพั่นจึงต้องบอกว่าคุณปรารบเหตุอะไรในการทำแตนะ่ถ้าคุณปรารบเรื่องของสิ่งที่เป็นชื่อเสียงเป็นเรื่องของกามเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นกิเลสเนี่ยบุญที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลงแตนะถ้าเปรียบเทียบกับเราปรารบเหตุที่ดีๆอย่างสมมุติถ้าเราปรารบพระเจ้าอยู่หัวแต่ถ้าเป็นคนดีไหมถ้าเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราปรารบเหตุนี้ทํานั้นะได้บุญมากกว่าที่เราจะทําเพราะอาศัยชื่อเสียงเข้าใจไหมค่ะเพราะว่า เรื่องนี้ควจะต้องทําความเข้าใจกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่เราเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะท้อเพราะว่าอยู่ในฐานะที่จะต้องทําให้สละอะไรในบ่อยนะคะส่วนใหญ่จะมีคนมาบอกให้ทําอ่ะทีนี้มิสิศรัภามันก็เลยเกิดขึ้นระยะหนึ่งพอนักหนักเข้าชักจะเป็นภาระมันเหนื่อยค่ะใช่พวกนี้ก็จะได้บุญน้อยลงไปตามลำดับใช่ใช่ เพราะนั้นเราต้องรักษาจิตของเราไงพระเจ้าจึงบอกว่าไม่ว่าจะอยู่กับคนดีหรือคนไม่ดีนะเราต้องมีสติรักษาจิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแบบต้องควักกระเป๋าจ่ายอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีการทํางบประมาณให้เหมาะสมในการที่จะใช้จ่ายตรงนี้เราก็จะทําจิตให้เราเป็นกุศลอยู่ได้ท่านไปบุญท์คะคือในวันนี้ค่ะ ในช่วงของเปิดธรรมที่ถูกปิดนี่จะช่วยเสริมอีกส่วนหนึ่งกับการที่ท่านมาร์กได้พูดถึงผู้ทวจนะนะคะที่เหมาะสมจะกล่าวถึงในวันนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะ<ม>อยากจะกลับเรียนถามท่านว่าหลักธรรมที่น่าที่จะคิดถึงกันในวันนี้นอกเหนือจากทิฏโเนี่ยน่าจะมีอะไรอีกคะในเรื่องของชาติดีไหมในเรื่องของความเป็นชาติคือเรื่องของพ่อแม่ท่านมาร์กได้พูดถึงไปแล้วว่ า, าพ่อแม่มีหน้าที่กับเราอย่างไรเรามีหน้าที่กับพ่อแม่อย่างไง ดังนัในลักษณะของพ่ออยู่หัวเนี่ยท่านทําหน้าที่ของท่านแล้วท่พระองค์ทาหน้าที่ของพระองค์แล้วเราก็ทําหน้าที่ของลูกในการดํารงวงศ์สกุลใช่ไหมห<ะ>ทีนี้ว่าแล้วไอ้ชาติเนี่ยมันคืออะไรคำว่าชาติเนี่ยประเทศไทยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาว่าเออเรารวมตัวกันเป็นชาติกันแล้วกันนะเธอมีความเห็นเหมือนกัฉันฉันมีความเห็นเหมือนกับเถอเพราะนั้นเราจึงต้องช่วยกันในการรักษาทิศทั้ง6ของเราในวงกว้าง แตสมมุติว่าถ้ามีนโยบายใดสักนโยบายหนึ่งจะเป็นของภาคราฐัฐหรือบริษัทไหนสักบริษัทหนึ่งจะเป็นหน่วยงานไหนสักหน่วยงานหนึ่งที่ทําให้พนักงานแต่ละคนละคนละคนของเราเนี่ยสามารถรักษาทิศทั้ง6ของเราได้นะความสามัคคีจะเกิดขึ้นความสามัคคีจะเกิดขึ้นตรงนี้ก็คือว่าเอทิศรอบตัวฉันไม่มีภัยเห็นไหมพอตัวฉันไม่มีภัยคนข้างๆเราก็ไม่มีภัยด้วยมันก็จะเป็นกลุ่มก้อนกันขึ้นมาไม่มีภัยไม่มีภัยไม่มีภัยด้วยกันทั้งหมด ่มมันก็เลยรักษาความเป็นชาติอยู่ได้นะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสามัคคีกันนะทำสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินยัยนะแล้วก็อย่าแตกกันอย่าไปให้ร้ายว่ากันอย่างเงี้ยไม่ควร ค, คือพูดถึงว่าถ้าเราจะทำความดีให้พ่ออย่างที่ดีๆแล้วก็เหมาะสมกับสภาพของสังคมหรือว่าจะได้เป็นประโยชน์ในเชิงแก้ปัญหาของประเทศชาติด้วยเนี่ยยังคิดว่าการพยายามมองกัน ในแง่ดีหรือพยายามที่จ ะ, ะไม่วิพากวิจารณ์ให้มันยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ย<ช>มันน่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยท่านคิดว่าใช่ไหมถูกต้องคืออย่างเพื่อนของเราอย่างเงี้ยหน้าที่ของเพื่อนต่อเพื่อนนะคือไม่กล่าววาจาที่จะทําให้เป็นที่แตกกันค่ะนะคือไม่กล่าววาจายุยงให้แตกกันนี่เป็นหน้าที่ของเพื่อนเลยถ้าเราไม่ทํานะทิศนั้นจะเป็นทิศที่เป็นภัยของเราเพื่อนเราจะเป็นภัยกับเราเองนะถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ ค่ะท่านาพอาจารย์ครับผูพูดถึงในแง่มุมของการเป็นภัยแก่กันและกันเนี่ยนคะคะอืถ้าพูดถึงว่าในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมันก็เสียหายไม่มากนะักแต่ขนาดที่ว่าไม่มากเนี่ยบางทีถ้าเป็นเรื่องในครอบครัวมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันถึงแม้จะเป็นลักษณะของบุคคลต่อบุคคลแต่ที่นี้ถ้าเป็นของสังคมใหญ่ค่ะท่านคะืัเรั้นว่ามันมันหนักหนาสาหัสสากันมันเกิดผลพวงที่เสียหายเยอะค่ะใช่ อย่างที่คุณยมติว่าพูดถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นแทนที่มันมามันมาจากวงเล็กๆนี่แหละคือคือตัวเราใช่ไหมแล้วก็รอบตัวเราเนี่ยมีทิศ ท, ทั้ง6ทางนะถ้าในรอบตัวเราเนี่ยเรารักษาทิศของเราไม่ได้เราจะแตกใช่ไหมพอตัวเราแตกแล้วจิตเราแตกใช่ไหมพอจิตเราแตกเนี่ยเราก็ไปเป็นภัยกับคนอื่นพอเราเป็นภัยคนอื่นมันก็ขยายไปเหมือนรอยร้าวอะ่ะรอยร้าว<ะ>ของของหินเนี่ยหิน แกรนิตอย่างแข็งแกร่งเลยเราตีมันทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยตีไปร้อย ท, ทีมันไม่สะเทือนหรอกตีไปพันทีมันก็อาจจะสะเทือนนิดนึดนงแต่รอยร้าวนิดเดียวนี่แหละใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไ ป, าไปกลายเป็นหินั้งก้อนแตกได้เหมือนกันอเพราะฉะนั้นเราจรึงต้องรักษาทิศของเราให้ดีแล้วในวงกว้างมันจะไปได้คือทิ้งคิดว่าวันนี้ทุกคนรักพ่อถ้าพูดถึงในแง่ถ้าพ่อของชาติก็ต้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ที่ถามว่าถ้าทรงเป็น ประมุขของชาติเนี่ยท่านคงอยากให้ลูกๆของท่านนะคะมีความรักใคร่ปรองดองสมามัคคีซึ่งจะเกิดผลกับประเทศชาติด้วยอยากจะให้ท่านให้ธรรมะแบบวันเนี้ข้อเดียวเลยค่ะจะได้เห็นคุณค่าแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติถวายเป็นของขวัญที่ล้ําค่าอ๋ออันนี้จะทําได้เลยทันทีก็คือว่าเป็นผู้อย่างลูกเนี่ยน ะ, ะลูกเนี่ยหน้าที่ของลูกที่ดีประการหนึ่งเลยก็คือว่าด้วยการเป็นผู้ดํารงวงศกุล แล้วก็จะปฏิบัติตนเป็นทายาทนะสองหน้าที่นี้คือพ่อเนี่ยคือพ่อเนี่ยเป็นที่พูดที่ดูแลโดยรวมใช่ไหมแล้วลูกเนี่ยโดยรวมเนี่ยเราต้องทําหน้าที่ดํารงมงกุลแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นทายาทอันนี้หมายความว่าไงคุณยมติวย่างสามาสมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะมีข้อปฏิบัติของพระองค์ที่เคยพาทํามาก็คือว่าสมมติเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แล้วพอหัวงอกเมื่อไหร่ปุ๊บก็บอกสละราชสมบัติให้ลูกตัวเองมาเป็นกษัตริย์แทน แล้วก็บอกลูกนะว่าอันนี้เป็นกระแลนวัตของฉันนะให้ทำต่อไปเรื่อย ๆ, <ช>ๆทีนี้พระพุทธเจ้าของเราก็มีกระแลนวัตคือมักมีองแปดใช่ไหมค่ะอย่างประเทศของเราเนี่ยมีกระแลนวัตคืออะไรนะคนไทยคุณยมติว๋วเป็นคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนคเห็น อ, อกเห็นใจกันเป็นคนมีน้ําใจเนี่ยคือการดํารงมงสกุลก็้าใจไหมถ้าในหลวงของเราเป็นคนอย่างนี้นะแล้วเราเป็นลูกอะ่ะแล้วคุณไม่ทําอย่างนี้มันมันไม่ได้เรื่องค่ะอ่าแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นทายาทที่ดี ท่านคะทีนี้บางทีถ้าสมมติเกิดมนุษย์เราเนี่ยมันก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะคะ่ะมันก็มีทั้งรักมีอคติในทางบวกมีอคติในทางลบ <c oughs> คือคือดฉันไม่แน่ใจว่าทางบวกนี่เรียกอคติได้ไหมก็ลําเอียงเพราะรักลําเอียงเพราะโกรธลําเอียงเพราะกลัวลาเอียงเพราะหกรใช่ <c oughs> บางคนก็เลยบอกโอ้ยไม่ต้องสงสัยเลยอย่างกับบุคคลอย่างเช่นที่เราอยู่หัวเนี่ยรักแน่นอนไม่มีปัญหาแต่ก็ขอที่จะอ ไ ม, ไม่ไม่ไม่ชอบจริงๆไม่ใช่คนดีจริงๆเนี่ยคนอื่นๆเนี่ยนะมๆๆไม่เป็นไรฉันก็ทําส่วนถวายฉันก็ถวายไปสิแต่ว่าในส่วนที่ฉันก็ต้องประนามไปสิอะไรอก็อย่างที่เราเคยคุยในรายการแหละคุณยมติว่า เ, เหตุผลของความโกรธเนี่ยไม่มีในโลกะนะถือว่าไอ้คนที่มันขอเว้นไว้สักคนหนึ่งนะได้ไหมไม่ได้ไม่มีนะถ้าเราโกรธเมื่อไหร่จิตเราผิดปกตินะคือเหมือนเราเป็นคนเป็นบ้า ท, ท่านคะ่ะ <laughs> ท่านพูดแบบนี้ด <laughs> ิฉันจะขอให้ท่าน <laughs> แล้วพรุ่งนี้ทั้งวันเลยมั้งค่ะขอให้ท่านช่วยเมตตาแสดงธรรมเรื่องความโกรธเพราะวดิฉันรู้สึกว่าขณะนี้เนี่ยมีปัญหาลักษณะแบบนี้อันนี้ยอมรับด้วยตัวเองเลยนะคะว่า uh huh, uh huh. เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคั ญ, uh huh. คญแล้วบังเอิญวันนี้มีกาลยายนมิตรท่านหนึ่งคะ่ะ uh huh. ท่านก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศทนี่แหละ uh huh. นั่งรถไปด้วยกันท่านก็บอกว่าคือเล่าให้ท่านฟังว่าแม้เราก็พยายามปฏิบัติ ปฏิบัติดีอย่างไรแต่พอพูดมาถึงตอนโกรธเนี่ยอเดี๋ยวฉันก็เลยบอกว่างั้นพรุ่งนี้จองท่านนะคะขอวันหนึ่งเผื่อแผร่ไปถึงคนอื่นที่จะได้ประโยชน์ด้วยกันด้วยได้คือถ้ า, าพูดในในวันนี้ถ้าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบของชาติเนี่ยที่จะให้ให้มันครอบคลุมให้ว่าชาติเนี่ยเราจะมีความสามัคคีกันอยู่ได้เนี่ยเราต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันคือเราต้องเอื้อเฟื้อให้คนอื่นเนี่ยรักษาทิศของเขาได้นะพอเราเขารักษาทิศของเขาได้เนี่ย เขาจะไม่มีภัยกับตัวเองนะตัวเขาไม่มีภัยแล้วเราจะสามารถขี่กันได้สมมุติว่าเราคนนี้เราก็ไม่ชอบเขาอย่างเงี้ยที่เขาทําให้เราไม่ชอบเพราะเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ว่าเขารักษาทิศของเขาไม่อยู่ทําให้จิตของเขาไม่เป็นปกติฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะทํำยังไงล่ะเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเขาเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ให้เขาไม่ตกอยู่ในความประมาทช่วยให้เขารักษาทิศตั้งหของเขาได้ อาจจะเป็นลูกเขาทำให้เขาเคืองพ่อแม่เขาทำให้เขาเคืองหรือเพื่อนเขาทำให้เขาเคืองอเราค่อยให้ความรู้ไปค่อยเกื้อคูลกันไปอย่างเงี้ยนะค่ะอย่างน้อยต้องท่านเขามันมีธรรมชนิดธรรมข้อใดข้อหนึ่งต้องตั้งเอาไว้ก่อนนะคะเช่นนะคะที้จะยกตัวอย่างค่ะ อ๋อศีลเดี๋ยวฉันนึกว่าน่าจะเป็นหนึ่งในพรหมวิหาร4เช่นตั้ ง, งจิตว่าเราจะมีเมตตาใช่แต่คุณยมติวีนี่เก่งมากเลยคือ2 อ, อย่างที่ประกอบกันแล้วเนี่ยเราตั้งไว้แล้วเราจะไม่มีทางผิดนะนั้น1คือศีลสคือเมตตาออสองอย่างนี้นะรวมกันนะพระพรุทธเจ้า บ, บอกว่าเป็นปันอากาศธรรมคือธรรมที่ไม่มีทางผิดนะเราใช้2 อ, อย่างนี้เป็นบารฐานก่อนน ะ, ะแล้วเราก็อาจจะค่อยแนะนําค่อยให้เขาออกจากความประมาทนะใคร ไม่สบายใจใช่ไหมอ่าวงั้นคุณรักษาจิตของคุณอย่างนี้นะคุณรักษาที่ของคุณอย่างนี้นะเอาเรื่องชาติมันจะค่อยๆแก้ไปหรอกถ้าเรารักษาที่ทั้งหกของเราได้อืมค่ ะ, ค, ะคือเหมือนว่าต้องไปทบทวนไปเปิดหนังสือพุทธวนจะนะดูเลยว่าเรื่องที่ถกนะคะมีอยู่ในหลายเล่มหลักปฐมธรรมก็มีอ่าหนังสือคารวะธรรมก็มีที่ท่านอาจารย์คือกริชได้ฝากเอามาให้ในรายการนี้นะค ะ, ะ, ะทีนี้าสามารถบอกได้เลยคุณโยมติ๋วอ๋อค่ะค<น>งั้นนิมนต์ท่านเลยค่ะคน คนที่เขาไม่แฮปปี้ในชีวิตนะคน <Okay. S 1> ที่ออกมาประกาศเปล่าเปล า, ปล า, ปลาด่าคนอื่นหรือว่าทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหนึ่งในทิศทั้งหของเขาจะต้องเป็นภัยเขาจะต้องเสียถ้าเขาเป็นคราว่าชนะนี่พูดถึงคราวา่าชนะผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่เนี่ยยังยินดีในทองและเงิ น, นมีลูกมีเมียมีเพื่อนฝูงเนี่ยยังยินดีในผ้านเนื้อละเอียดเนี่ยเขาจะต้องเสียสักทิศใดทิศหนึ่งทําให้เขากลายเป็นคนจิตแบบปั่นปวนโกรธง่ายแล้วก็คิดอะไรไม่ออกด่าคนอื่นเป็นแน่นอน เรื่องของที่ั้งบรู้สึกว่าท่านมาได้พูดไปเมื่อตอนต้นรายการค่ะอจากการที่ท่านบอกว่าต้องเป็นบุคคลประเภทนี้เนี่ยยังพอใจในผ้าเนื้อละเอียดอะไรเนี่ยนะคะใช่ดิฉันฟังดูแล้วเนี่ยท่านพูดถึงดิฉันโดยตรงเลยนะครเนี่ยคือดูเหมือนกับว่าท่านกําลังพูดถึงว่าอ่ะคนแบบนี้คือคนทั่วไปที่เราพบเห็นกันใช่ใช่ใช่แวเป็นบคนประเภทใดเหรอคะที่เป็นข้อยกเว้นนะคะเพราะดูเหมือนกับว่านี่ท่านกวาดเกือบทั้งโลกแล้วท่านคะเนี่ยก็ยกเว้นสมณะ สมณะเนี่ยคือผู้ออกจากเรือนละไม่เกี่ยวขอ้องเด้วยเรือนเพราะฉะนั้นสมณะนี่ก็จะมีเซตกลุ่มของสมณะละจะต้องทําอะไรคุณต้องมีศีลนี่ปฏิโมกขน์นี่ต้องกีบพันข้อคุณต้องรักษา อ, อย่างนี้นะเราจะไม่เป็นภัยกับคนอื่นเหมือนกันดังนั้นก็ขอให้รู้ว่าเราเราท่านท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้ที่อ่าไม่มีศีลใช่ไหมคะใช่ไม่มีศีลไม่มีเมตตาค่ะนะอันนี้มันจะเป็นผลมาจากการที่เรา ไม่สามารถรักษาที่ต้องหกของเราได้อืมมันเกิดขึ้นง่ายมากถ้า<ม>ฟังจากท่านพูดเนี่ยใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่เราพลาดพลั้งกันได้ง่ายมากเลยนะอย่างสมมุติภรรยาของเราหรือว่าสามีของเราเนี่ยเราเราแค่พูดแค่ว่าเอ๊ะทาไมวันนี้ภรรยาทากับข้าวไม่อร่อยแค่เนี้คุณดูหมิ่นเขาแล้วนะน้องหรอคะอ้าวแน่นอนสิเขาเป็นคนทำกับข้าวเนาะบางคนดีใจมากเลยเนี่ยอยากจะว่าไม่กล้าว่าท่านพิบูลว่าให้แทนหรือเปล่ากัเนี่ยหรือว่าแม่บ้านอาหารถุงสมัยเนี้ย ก็ไม่ได้ทํากับข้าวเองไปซื้ออาหารมาใช่ไหมเราก็บอกเอ้ยเธอไปซื้อเจ้านี้ไม่เห็นอร่อยเลยคุณก็ดูหมิ่นเขาแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นคนไปซื้อนี่เ อ, อก็ในเมื่อไม่ดูไม่ยกย่องกันแล้วยังดูหมิ่นอีกโอ้ยคนเมียภรรยาของเราก็ต้องเป็นภัยกับเราหน่ะสิสามีของเราก็ต้องเป็นภพ่กับเราน่ะสิโอ้โอท่านครับมันละเอียดอย่างนี้เหรอคะงั้นสมมุติว่ามีผู้ใหญ่ในบ้านเราซื้ออาหารให้ทานโอ้โหสารพัดจะปรุงสารพัดจะหาอืแต่ท่านอายุมากแล้วท่านทานอะไรไม่อร่อยสักอย่างหนึ่ง เราก็ว่าเอ๊ะทำไมทานอะไรไม่อร่อยหรือท่านว่าเราเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ระหว่า ง, งสามีภรรยาแต่ถ้าเป็นมาดาบิดา<อ>ก็อีกแบบหนึ่งเไ<อ>ค่คป็นเรื่องของที่ถกนี่จึงเป็นรายละเอียดที่ที่ต้องมาลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง<อ>ถ้าพูดในคร่าวๆตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรารักษาทิศท้องหกของเราได้เนี่ยเราจะรักษาความที่เป็นเอกภาพของหมู่คนนี้ได้